เรื่องที่17ไปเกิดใหม่อยากให้พบกันจิตก็ต้องไปกันได้พูดคุยกับพระนวิกะในพรรษา28ตุลาคมพุทธศักราช2553ิ25ทีนี้ย้อนกลับมา ตอบท่านภัยสารที่ท่านถามไว้เรื่องว่าสามีพัญญาบุตรธิดาครอบครัวจะไปเกิดใหม่โดยที่ยังเป็นเรียกว่าคู่ครองกันหรือครอบครัวกันสืบต่อไปทุกชาติทุกชาติไปอย่างไรหลักมันก็มีอยู่แล้วบอกว่าคนที่จะไปเกิด ร่วมกันได้ที่หนึ่งก็ต้องมีระดับจิตเดียวกันนี่หลักการทั่วไปคัจิตระดับเดียวกันถ้าไม่จิตระดับเดียวกันก็แยกไปคนละภพละภูมิแล้วเนะี่ยอันนี้ต้องระดับจิตอยู่ในระดับเดียวกันอ้าละนานหนึ่งก็คือถ้ามีคุณธรรมความดีก็มีคุณธรรมความดีอยู่ในระดับใกล้ๆ ก, กันไม่ใช่คนหนึ่ง อยู่ในศีลในธรรมไีม้คนหนึ่งนี่เรียกว่าเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก่อเวรก่อภัยมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าจิตคนละระดับและไปได้วยกันไม่ได้นี่ะเวลาไปแล้วก็พบก็จะเป็นคนละระดับจิตภูมิภูมิแปลว่าระดับจิตนั่นเองภูมิภูมิแปลว่าชั้นนะ เช่นชั้นของตึกเนี่ยก็เรียกภูมิภูมิชั้นหนึ่งหนึ่งเรียกว่าภูมิมึงภูมิหนึ่งหนึ่งเป็นชั้นที่ไปเกิดก็เรียกภูมิเหมือนกันนี่ภูมิที่ของสัตว์ก็คือชั้นชั้นชั้นชั้นก็ตั้งให้อยู่ในระดับเรียกว่าเป็นภูมิเดียวกันอาราสหนึ่งก็จิตอยู่ในระดับเดียวกันสองก็กลมกลืนกันนีกลมกลืนกันก็หมายความว่าอัธยาสัย แนวความน้มเอียงจริตอะไรแต่อะไรพอไปกันไดน้พอกลมกลืนกันมันก็ทำให้ประสานกันได้ดีถ้ามงั้นมันก็กระจัดกระจายามีความขัดแยง้งมีแตกแยกกันอะไรต่างๆก็ไปคนละทิศละทางถึงแม้ระดับเดียวกันก็มาอยู่ด้วยกันแลน้วเรียกว่าสภาพจิต นอกจากระดับจิตและสภาพจิตก็กลมกลืนปสานไปกันได้อล้วชิดเข้ามาอีกก็คือว่าความผูกพันกันนเออกลมกลืนไปกันได้แล้วผูกพันกันอีกมีความรักความปรารถนาดีต่อการระลึกถึงกันอยู่เสมออยู่ที่ไหนอีกคนหนึ่งก็อยู่ในใจด้วยอะไรอย่างนี้นะเอออย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ ความผูกพันแน่นแฟนอย่างนี้มันก็โยงถึงกันเลยนะเพราะว่าคนจะไปเกิดก็ไปเกิดใด้จิตแลนะจิตถึงกันแล้วนะียั น, นั้นก็สามอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนี่หลักการทีนี้อะไรที่จะมาช่วยให้สามอันนี้มันได้อย่างที่ว่าให้ได้ตามหลักจิตก็มาอยู่ระดับเดียวกันแล้วมันก็สภาพจิตก็กลมกลืนกัน แล้วก็มีความผูกพันกันรักกันไม่เสื่อมคลายมันก็ต้องมีข้อปฏิบัติมีหลักเนี่ยที่จะมาช่วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสธรรมะไว้ชุดหนึ่งนี่แหละที่โยงไปหาท่านนากุลปิตานากุลมารดาที่ท่านบอกว่าแม้จากพระพบนี้ไปแล้วเกิดชันไหนก็ ปรารถนาให้ได้พบกันเป็นคู่ครองทุกชาติไปท่านก็จะไปเกิดได้แค่อีกเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราะท่านเป็นโซดาบันแล้วทั้งสองท่านเนี่ยแโดาบันนี่ยังมีครอบครัวเป็นอาลยะบุคคลที่เรียกว่าอยู่ในสองฝั่งได้คือถือพรหมจรรย์หรือไม่ถือพรหมจรรย์ก็ได้ สกทามีก็ยังมีคู่ครองอนาคามีก็มีได้แต่ว่าไม่ยุ่งก็คู่ครองแล้วนะก็ยังครองบ้านครองเรือนอยู่แต่จิตในไม่โน้มไปแล้วก็อย่างท่านจิตตะคาบดีเย่นี้ก็เป็นอีทักษะทางธรรมก็ถึกมาแสดงธรรมให้พระฟัง <c oughs> เป็นครั้งคราวจิตตะครบดีนี่ก็เป็นบุคคลสําคัญพระพุทธเจ้ายกย่องเชิดชู อันนี้เอาละนั ก, กลุล บ, บีดาน ก, กลุลมาดานี่ก็เป็นเอตตะคะในแง่เป็นคนที่คุ้นเคยสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ารักพระพุทธเจ้าเหมือนลูกเหมือนกันเนทั้งสองท่านนีแก่กว่าพระพุทธเจ้ารักพระพุทธเจ้าเหมือนลูกัศพรที่ท่านแก่เท่านี้ท่านก็เลย พูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเออท่านก็รักกันไปไหนก็อยากจะไปอยู่ด้วยกันทำไงพูะุทธเจ้าก็เลยตัดธรรมะหมดหนึ่งก็เลยเรียกว่าสมชีวธรรมธรรมะของผู้มีชีวิตสมกันนสมภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าเสมอแล้วมันมาเป็นคำไทยเราก็อ่านว่าสมนสมสม นิสมมันก็เลยกลายมาความหมายแบบไทยไม่ใช่เสมอแนละ้วเป็นว่าเหมาะกันไปกันได้ใช่เข้าชุดกันอะไรทำนองนะนี้สมแต่ที่จริงก็คือจากเดิมภาษาบาลีแหละเสมออันนี้ธรรมะสี่ประการที่เรียกว่าสมชีวิตธรรมก็มีอะไรละหนึ่งสมมสัทธา มีศรัทธาสมกันหรือมีศรัทธาเสมอกันเช่นว่าอ้าวยังกว้างเช่นว่ามีความเคารพเรื่มใสศรัทธาในพระตนรตรัยเหมือนกันใจไม่แยกกันละทำไมางันใจก็แยกไปคนละทิศลต้นลนะเนาะเพราะศรัทธานี่เป็นจุดรวมสำคัญของจิตใจมีศรัทธาสมกันเสมอ ก, กันตรงกัน นอกจากนั้นก็ลึกลงไปก็มีจุดหมายชีวิตมีความเชื่อในกายกระทำสิ่งที่ดีงามอะไรต่างๆเป็นต้นนะแนวความคิดความเชื่อไปกันได้ลงกันไอนะเรื่องสัทธานรื่สำคัญแตกแยกกันง่ายมากศรัทธาเนี่ยมันก็ใกล้กันเรื่องทิฏฐิทิฏฐิพอยึดถืออย่างนั้นก็เป็นทิฏฐิ เอาติดในความเห็นของตัวเองเห็นนี้ก็คนแม้แต่ใกล้ชิดกันทะเลาะกันแหละใช่มทิฏฐิทิฏฐินี่เป็นตัวเหตุสำคัญที่ทมให้คนทะเลาะกันได้มาตัณหาหนึ่งแย่งกันต่างคนต่างก็อยากได้ฉันก็จะเอาคุณก็จะเอาทำไงล่ะก็ต้องแย่งกันตัณหาก็ทมให้ทะเลาะกันทีหนึ่งสองก็มานะใครจะใหญ่กว่ากัน ก็ข่มกันใครจะเหนือกันเออแล้วก็ทำให้เกิดการลบราคาฟันเบียดเบียนกันต้องการความยิ่งใหญ่แค่ว่าใครจะใหญ่กว่ากันแค่นี้ก็ยุ่งแหละอี <c oughs> นี้ก็มานะความถือตัวไม่ยอมกันหรือแม้แต่ว่ากล่าวแนะนำเกิด ถือตัวไม่ยอมรับเกิดมานะขึ้นมาก็แตกกันแหละใช่ไหมั้งท่าที่คนอยู่ไกลจิตกันเพราะนั้นมานะก็เป็นตัวสําคัญแล้วก็มาทิฏฐินการยึดติดมุดมั่นในความคิดเห็นความเชื่อของตัวเองสามตัวนั้นเป็นกิเลสสําคัญชุดเนี้ยชุดโลภะตัสัมโมหะนั่นเป็นอกุศลลมูลแต่ชุดตัณหามานะทิฏฐินี่เป็นชุดที่จะออกโรงมากกว่า ท่ถ้าเรียกชื่อว่าปะปัญจจะทมไม่ต้องจำก็ได้เนเป็นกิเลสตัวปั่นปั่นมนุษย์วุ่นไปหมดเลยทั้งโลกเวลานี้ที่ทะเลาะกันทำสงครามกันสงครามโลกสงครามอะไรก็ตันหมามันะทิธิเดนี้เวลาสงครามบุดมการสงครามาศาสนาก็คือสงครามทิฐิอันนี้ยืดเยือย้อยืนยาวทิฐิในเรื่องของเชื้อชาติเผ่าพันนี่แค่นี้ก็ยุ่งแล้ว ยิ่วกับอาลับมันลบกันไม่รู้จะเสร็จกี่พันปีก็ไม่จบนี่แหละสงครามทิฏฐิเพราะนั้นก็นี่แหละครับสมสัคัทธาต้องมีศรัทธาสมกันไปกันได้มีความเชื่อในการกระทำสิ่งที่ดีงามพอใจชอบจิตใจมุ่งไปในเรื่องเดียวกันเนี่ยศรัทธามันเป็นสิ่งที่สร้างเป้าหมายทำให้เกิดแรง พุ่งเลยนะจิตใจแล้วมีศรัทธาก็ไปได้มันยังญาติโยมอยู่ก็บ้านจะไปวัดไหนดีก็มีศรัทธาวัดไหนก็ไปนั่นเกิดไปศรัทธาวัดไกลสิบกิโลยี่สิบกิโลศรัทธาแรงแล้วถึงไกลไหนก็ไปได้แต่ว่าเกิดหมดศรัทธาวัดอยู่ติดบ้านก็ไม่ไปแล้วใช่ไหมหมดแรงเลยเออนี่แหละศรัทธาสําคัญ ศรัทธาทำให้มีแรงมีกำลังพุ่งนั่นก็ท่านก็อันที่หนึ่งก็คือมีศรัทธาสมกันและนี่สองก็สมศีลามีศีลมีความประพฤติแนวทางการดำเนินชีวิตไปกันได้สอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกันก็อย่างที่ว่า อย่างห ย, ยาบๆก็ใช่นะคนหนึ่งกินเหล้าเมายาตลอดอีกคนหนึ่งก็เกลียดจังเลยก็มีกินเหล้าเมายาความประพฤติทางโน้นเขาก็ไม่เอาด้วยหละเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปกันไม่ได้แล้วจ้งแต่ชาตินี้แหละไม่ต้องไปชาติหน้าแล้วใช่ไหมฮะนั่นก็ต้องให้สมศีลานี่ถ้ า, าว่ามันไม่สมศีลาชาตินี้ก็อยู่ด้วยกันด้วยความจำใจฝืนใจมีความทุกข์แทน ไม่ยั่งยืนก็เลยต้องมีสมศีลามีแนวทางความประพฤติชีวิตความเป็นอยู่ไปกันได้นี่ยเรียกว่ารักษาศีลให้เสมอกันได้เป็นดีที่สุดถ้าเรามีหลักคือเราอยู่ในหลักเช่นศรัทธาเราก็มีหลักเอานับถือพระเจ้าตรายนับถือหลักทำคําสอนพรุทธเจ้าเอานะฉันก็ศรัทธาคุณก็ศรัทธาจะแสดงว่ามันมีหลักจัดจับของศรัทธา ไม่ต้องไปเควยงคว้างวัดกันอีกนได้หลักเลยแล้วก็สมาศีลาก็มีหลักจับก็ใช่ว่ารักษาศีลห้าเออหรือเกิดมีศรัทธามาพ่วงด้วยศรัทธาก็มาหนุนว่า เ, ออเรารักษาศีล8ปอุโบสถ ด, ด้วยอีกใจก็พร้อมกันอีกรักษาอุโบสถศีลได้กันอีกเออไปกันได้ดีนี่ถึงวันจะรักษาอุโบสถก็เตรียมการใจกับ พอใจเด็กการพูดกันเรื่องนี้ได้ความนิยมชมชอบสบายใจอย่างนี้นะสอดคล้องกันสมศีลาแล้วก็มาสมาจากขาสมาจากขาก็มีจิตใจเอื้อฟื้อผือผ่อแผ่เสียสละที่สอดคล้องกันไปกันได้เนย ไอ้นี้ก็เป็นตัวที่เป็นปัญหาได้ถ้าเกิดความขัดแยง้งคนหนึ่งขี้เหนียวมากคนหนึ่งก็สละมากใช่ไหมคนหนึ่งก็จะไปถามโ น, น่นถามนี่คนหนึ่งก็โกรธนะไม่พอใจแล้วก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอีกฝ่ายหนึ่งไปบริจาคไปช่วยเหลือไปทําอะไรต่างๆมันก็จิตใจไม่ไปได้วยกันแนะคนหนึงคนหนึ่งจะสุขอย่างนี้แต่อีกคนหนึ่งถ้าอย่างนี้ฉันทุกข์ ฉันต้องสุขแบบโน้นเพราะอีกคนหนึ่งสุขแบบโน้นคนนี้ก็ทุกข์อีกขัดแย้งกันตั้งแต่ในใจขัดแย้งตั้งแต่สุขทุกข์ใจมันก็ร่วมกันไม่ได้นั่นก็มีจิตใจเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีเสสละอะไรต่างๆไปได้กันได้น อ, อคนหนึ่งก็อาจจะไม่ถึงเอาใจใส่มากแต่เห็นว่าคนนี้ไปทําประโยชน์แล้วก็อนุโมทนาด้วยเออแสดงว่าใจไปกันได้ เป็นสมะจากขาต่อไปก็สมะปัญญามีปัญญาสมกันมีความรู้ความเข้าใจที่อย่างน้อยพูดกันรู้เรื่องบางคู่นี่พูดกันไม่รู้เรื่องนะพอพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องทะเลาะกันพูดกันเข้าใจกันมีระดับสติปัญญา ที่จะเจระจาปลาใสแล้วมีเรื่องอะไรกับปรึกษาหาหรือกันได้ก็อยู่เป็นสามีพัญญานี่ก็เป็นที่ปรึกษาสําคัญที่สุดเลยก็ร่วมสุขร่วมทุกนี่มีปัญหามีเรื่องราวเกิดขึ้นก็คุยกันรู้เรื่องนี่พอพูดก็ไม่รู้เรื่องมีปัญหาร่วมกันก็ไม่ได้เรื่องแล้วจะยุ่งหมดแล้วแต่แค่พูดกันก็ไม่รู้เรื่องแล้วเนีความคิดอะไรก็ไปไม่ทันกันนะ จิตไม่ยอมรับกันก็ทำให้จิตแตกแยกนั่นก็ให้มีสมปัญญาสมปัญญาถ้ามีข้อแตกต่างในเหล่านี้ก็ต้องอีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นใจและยอมรับได้อันนั้นก็เรียกว่าเป็นตัวม า, วาช่วยแก้ช่วยแก้ให้ไปกันได้ต่างกันเออกลายไปว่าสงสารเห็นใจเขาเนย ก็กลายเป็นว่าไอ้ความเห็นใจความสงสารเมตตากรุณาก็มาช่วยปรับจิตให้มันไปกันได้แต่ถึงยังไงก็ไม่ดีเท่ากับว่ามันสมกันจริงๆเพราะจะเป็นไปได้ไหมฮ <c oughs> มีรายละเอียดยังไงกันนีมนถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับคู่ครองก็กผมก็เข้าใจชัดเจนดีแล้วครับแล้วก็ แล้วเกี่ยวกับบิดามารดากับบุดอ๋ อ, อ, อ, อในแง่บิด า, ากระบุตรนะบิดามารดาบุตรธิดานี่ก็ต้องยอมรับว่ายากขึ้นหน่อยนะเพราะเขามีวิถีชีวิตของเขาซึ่งมันไม่ได้อยู่แค่สันส้นๆระยะที่อยู่กับคุณพ่ อ, อคุณแม่ในเทียบในระยะยาวของชีวิตทั้งหมดแล้วบางทีนิดเดียวนะใช่ไหมเขายังไปของเขาเยอะ แล้วจิตของเขานี่ยังไปพบคนอื่นอีกเจ้าง่ายๆเขาก็มีคู่ครองของเขาแล้วเขาก็อยากไปอยู่กับคู่ครองเขาแล้วถ้าทําเงิเออเมื่อจะให้จิตมาอยู่กับพ่อแม่จะไปกันได้ไหมเนี่ยเอออังนั้นก็ต้องใช้ความเพียรมากขึ้นแหละความผูกพันกับลูกเอาละคุณพ่อคุณแม่นะ่ผูกพันที่ฝ่ายลูกล่ะ จะรักษาความผูกพันนี้ไว้ได้ยืดยาวดีไหมคือตอนแรกก็เอาและลูกก็มีความผูกพันรักคุณพ่อคุณแม่มากก็อยู่ด้วยกันนี่แหละต่อไปก็ไม่มีชีวิตมีครอบครัวของตนเองไปทําการงานอาชีพแยกย้ายออกไปไปมีประสบการณ์ชีวิตต่างหากตอนเนี้คนเราก็จิตเปลี่ยนแปลงไปนะดัะนั้นในเรื่อง บุตรธิดาเนี่ยเราต้องมองในแง่ว่าเอาที่เราก่อนแหละ <c oughs> มันต้องอยู่ที่ตัวเราเองก่อนเป็นวันเราเนี่ยจิตเราดีเรารักเรามีเมตตายั่งยืนมั่นคงต่อลูก <c oughs> ซึ่งธรรมดาพ่อแม่ก็มีอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นเรามีความปรารถนายืดยาวกว่า น, นั้นเราก็เลยตามดูในชีวิตของเขาค่อนข้างจะ ใจใสเอาใจใส่มากหน่อยคือเอาใจใส่อยู่แล้วแต่ว่ามีแง่มุมวันนี้เพิ่มเข้าไปแง่มุมที่มีความปรารถนาในเชิงที่จะมีชีวิตร่วมกันอยู่ด้วยก็ทําให้เอาใจใส่ดูแลความเป็นไปในชีวิตของเขาและการที่จะไปเอาใจใส่ในแง่ของการที่เจอสื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น ที่จะทําให้มีการกระชับความผูกพันอันนี้ไว้นะซึ่งเมื่อจิตมันตั้งอยู่แล้วมันก็มีทางเป็นไปนะแต่ทีนี้ว่าตัวเราเองก็จะรักษาได้ตลอดมาด้วยนะพอไปเห็นลูกก็มีชีวิตความเป็นไปของตัวเองของเขาอันนี้ก็อย่าไปถือเลยก็เอาเป็นว่าโดยหลักการก่อนหลักการก็คิดว่าหลักมันก็หลักนี้แหละ ทำไงจะให้มีจิตในระดับเดียวกันสภาพจิตกลมกลืนกันแล้วก็มีความผูกพันกันเห็นไหถ้าท่านรักษาอันนี้ไว้ได้มันก็มีทางอันนี้ก็ต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายตัวคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็อาจจะง่ายกว่าแต่ว่าเราก็กลายเป็นว่าไม่รู้ว่าก็ต้องถามต่อไปว่า ลูกน่ะเขามีความปรารถนานี้ด้วยหรือเปล่าล่ะออใช่ไหม <laughs> เออแต่เขาไม่มีความปรารถนามันก็เสียข้อผูกพันไปแล้วและระยะ ย, ยาวประสบการณชีวิตอะไรต่างๆก็จะผาแปรไปได้ง่ายนั้นถ้าพ่อแม่มีความปรารถนาจริงๆก็ต้องไปสร้างแนวโน้มให้กับลูกที่ลูกจะมีความปรารถนานี้ด้วยถ้าเขาไม่มีความปรารถนามันยากครับ จิตมันไม่เอา <c oughs> ก็เอาเป็นว่าฝ่ายเรานะ่ะดีแล้วเราก็ทำของเราให้ดีที่สุดและส่วนฝ่ายของเขาเราก็พยายามโดยมีความตั้งใจอันนี้ที่เป็นความตั้งใจที่ดีงามเป็นคุณธรรมเป็นเมตตากรุณาปรารถนาดีก็ทำให้มีความเอาใจใส่มีการสื่อสาร น้มน้อมจิตใจอะไรต่างๆก็เป็นไปได้อยู่นะฮะแต่นี้ก็เรียกว่าพื้นวางไว้ดีแต่ว่าก็อย่าไปทำจนเป็นเหตุให้ตัวเองทุกข์เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าตั้งความปรารถนาอย่างนี้ไว้มากแรงแล้วทีนี้พอรู้สึกว่าอะไรจะไม่สมใจตนก็รู้สึกไม่สบายใจก็กลายเป็นทุกข์ได้จาก ความปรารถนานี้ก็เราก็ต้องตั้งให้เป็นในแง่ดีอย่างเดียวในแง่ดีเราตั้งไวด้ดีแต่เราก็ป้องกันไว้ด้วยไม่ประมาทนั่นเองว่าอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่นี่ปัญญามาบอกแล้วเรานะ่าตั้งใจดีมีความปรารถนาดีมีเมตตากรุณารักใครอย่างนี้เต็มที่แล้วมีจุดมุ่งหมายวางไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะพยายามของเราเต็มที่ แต่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ให้แล้วแต่เหตุปัจจัยพอเปรตเหตุปัจจัยบางอย่างอยู่ในวิสัยของเราเราควบคุมได้ทําได้แต่เหตุปัจจัยหลายอย่างมันอยู่นอกเหนือวิสัยของเราใช่ไหมฮะในส่วนนั้นเราไม่อาจจะรู้ได้แล้วเราก็ไม่สามารถตามไปทําได้หมดนั่นก็เอาเป็นว่าปัญญาก็มาช่วยกํากับ พร้อมไว้ไม่ให้เกิดพิษภัยไม่ให้เกิดทุกข์นั่นเองก็นะตั้งใจให้ดีที่สุดใช้หลักการนี้แหละนะก็โน้มน้อมคือเมื่อเขาไปอยู่ของเขาดําเนินชีวิตแยกไปแล้วเนะี่จิตใจเขามีสิ่งแวดล้อมชักจูงมากนี่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นต้องเป็นสิ่งแวดล้อมหลักอีกจึงจะสามารถโน้มน้อมจิตใจเขาอยู่ได้ตอนนั้นเราก็เป็นสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งของเขา นีแต่ว่าอาศัยความผูกพันเดิมเป็นต้นทุนมากก็ถ้ายังสืบต่อได้ดีเหนียวแน่นอยู่ก็จะ ย, ยังยืดไปได้แล้วก็คอยโน้มน้อ ม, มจิตใจกันไว้เมื่อจิตใจมาในแนวทางเดียวกันไปกันได้ดี้็กลมกลืนกันไปแล้วก็ความผูกพันก็มาทําให้เกิดความแน่นแฟน แต่อย่าไปหวังเกินควรนะยังคิดคิดขนาดไหนล่ะ <laughs> อันนี้อันนี้ก็เป็นอย่างที่ว่าละเราต้องอยู่อย่างรู้เท่าทันคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันแน่นอนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นด้านปัญญาปัญญาเป็นตัวรู้เหตุปัจจัยเมื่อรู้เท่าทันเหตุปัจจัยว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย ก็อย่าเอาแต่ความอยากความปรารถนาของเราคือสิ่งทั้งหลายจะเป็นไปย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามใจเมื่อมันไม่เป็นตามใจเรามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราก็ต้องทำเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นไปตามใจใจเราต้องการยังไงก็คือมีความปรารถนา เราก็ดูเออเรามีใจปรารถนาอย่างนี้ความปรารถนาของเรานั้นต้องการอย่างนี้นะแล้วผลที่เราต้องการจะเกิดขึ้นได้ด้วยทําเหตุปจัจจัยอะไรเราก็ไปทําเหตุปจนะัจจัยนั้นตอนนี้ปัญญาจะมาช่วยก็หมายความว่าให้ความปรารถนากับปัญญาเนะีมาคู่กันความปรารถนาจะสําเร็จได้ก็ได้ปัญญาบอกให้นะ และถ้าเกิดไม่สมปรารถนาปัญญาก็จะช่วยแก่อีกเลยนะจะช่วยแก้ทุกข์อีกทีแต่มันคุมตั้งแต่ต้นแนละ้วถ้ามีปัญญาแต่ตนเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอย่างนี้ปรารถนาอย่างนี้ใจเราจะเอ า, อางี้เราก็พยายามไปศึกษาเหตุปัจจัยทำเหตุปัจจัยไปให้ดีที่สุดเท่าที่ทาได้พร้อมกันนั้นก็มีสติแล้วลึกไว้แล้วปัญญาก็จะบอกว่าเออในนี้ จะทําได้แค่ไหนผลก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะทั้งเหตุปัจจัยที่เราทําและเหตุปัจจัยนอกวิสัยของเราใจเราก็เท่ากับว่าใจเราก็พร้อมอยู่แล้วเราก็ไม่ใจไปยึดมั่นจนทําให้เกิดความทุกข์แต่ว่าเราก็ทําได้ดีที่สุดด้วยเพราะคนที่ทําสักแตด่ด้วยความยึดมั่นเนี่ยนอกจากเป็นทุกข์แล้วทําไม่ค่อยได้ผลด้วยนะ ยุดมัน่นสักแต่ว่ายุดมัน่นไม่ได้ศึกษาได้ไม่ได้ใช้ปัญญาดูเหตุปัจจัยออตัวเหตุปัจจัยก็ไม่ทําให้ถูกแต่ยุดมั่นจะให้เป็นอย่างใจใช่จะให้เป็นอย่างใจแต่ไม่ทําตามเหตุปัจจัยแล้วมันจะไปได้เรื่องอะไรทีนี้ก็มาทุกข์แล้วก็มาเรียกร้อ ง, อ ย, ง, งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บางทีก็กลายเป็นไม่ใช่เรียกร้องแต่ในใจตัวเอ ง, เองไปเรียกร้องกับเขาอีก แทนที่จะได้ตามใจตัวเองกับโกรธกันซะอีกเนไปเรียกร้องเขามากด้วยความยึดมั่นเขาเลยขัดแย้งขึ้นมาอีกนะนี่ทุกอย่างเนี่ยต้องมีปัญญาคุมตลอดปัญญาจะมาจัดมาปรับอะไรต่างๆแต่ขั้นแรกก็คือนี่จุดหมายที่เราปรารถนานั้นจะสำเร็จด้วยเหตุปัจจัยอะไรอันนี้ต้องรู้ต้นเลยต้นต่างของมันแล้วก็ทำเหตุปัจจัยนั้น นี้ก็คือข้อหลักที่ว่าเนยะทําไงจะรักษาให้ผู้ที่เราอยากให้อยู่ด้วยเนะี่ยมีระดับจิตท่านขั้นเดียวกันแล้วก็มีสภาพจิตที่กลมกลืนไปกันได้แล้วก็มีความผูกพันต่อกันอยู่นะย่างรักกันนะอ่ะแค่ลูกรักคุณพ่อไปจนตลอดชีวิตนี่ก็ได้เป็นขั้นหนึ่งแล้วนะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> แล้วเขา กม็มีระดับจิตเดียวกันถ้าเขาเกิดไปทํากรรมอะไรไม่ดีก็เลยกลายเป็น mm. ไปออกไปอีกทาง mm. ไปเกิดคนละพบเลยเอถึงจะปรารถนารักผูกพันก็ไปไม่ได้เพราะจิตต่างระดับแล้ว mm. ใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องยกให้อีกเกิดว่าลูกของเราเนี่ยเออไปเจริญฌานขึ้นมานี่เออได้ฌานสมาบัติเขาเลยไปเกิดเป็นพระพรหม แล้วจะไปเกิดยังไงกับเราอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่ได้อยู่เองเราก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมฮอันนี้จะไปถือเราก็อนุโมทนาเข้าไปเออแหม่ได้เรียกว่าครุกรรมฝ่ายกุศลเลยนะเป็นครุกรรมกันนะแต่เป็นฝ่ายกุศลได้ชาติสมาบัตเป็นพระพรหมไปแล้วเ อ, อเราไปเป็นเทวดาเท่านั้นทําไงเราก็อนุโมทนาพระพรหมไป อย่าไปถือสาอะไรมากแต่ว่าทาดีเข้าไว้ทำจิตใจก็าเราให้ดีเราตั้งใจดีแล้วเราก็มีสิทธิที่จะมีความสุขเออฉันตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเป็นจิตที่ดีงามเราก็มีความสุขความพอใจนี้แล้วล้วก็ตั้งจิตปรารถนาดีต่อคู่ครองกับบุตริดาอย่างที่ว่านี่ความตั้งจิตไว้ดีเนี่ยเป็นฐานที่สาคัญนะที่จะช่วย เพราะว่าจิตที่ตั้งไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นจุดเริ่มที่มีกําลังที่จะทำให้มันเดินหน้าไปได้ดีนะเพราะฉะนั้นท่านจึงมีหลักที่ใช้ว่าอธิษฐานเนะี่ยอธิษฐานไม่ใช่หมายความจะปะคุนก่อให้ได้อย่างนั้นอธิษฐานคือตั้งจิตเด็ดเดียวตั้งจิตมั่นนะตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดียวเนะี่ย เรียกว่อธิษฐานเมื่อเาอธิษฐานบัญชาก็หมายความว่าตั้งใจว่าจะจำบรรชาที่นี่อย่างพระพุทธเจ้าอธิษฐานพระไท่ก็หมายความว่าจะต้องทําความเพียนให้บรรลุจุดหมายนี้ได้ที่เคยพูดบ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าตรสอนให้อธิษฐานเพื่อจะทําคนไทยมักจะเพี้ยนเป็นอธิษฐานเพื่อจะเอาอธิษฐานเพื่อจะได้จะประคุณให้เทวดามาบดาล น, นั่นนี้ให้ อย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วไม่ใช่อธิษฐานแล้วนะอธิษฐานก็คือตัวเองเนี่ยจะทําอะไรต้องมีจุดมุ่งหมายแล้วตั้งจิตแนว่วแน่มั่นคงมุ่งสุดเป้าหมายนั้นอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานตั้งใจเด็ดเดียวฉันจะเดินทางให้ถึงเมืองนั้นเมืองนี้อะไรอย่างนี้นียหรือว่าจุดหมายในชีวิตจุดหมายในงานของการของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีความตั้งใจเข้มแข็งเด็ดเดียวเป็นพลังแล้วเนี่ยมันทําให้ งอนง่นคอนเคลนง่ายบางทีก็เหยาะแยะทาไม่เอาจิงเอาจังพออธิษฐานขึ้นมาเนี่ททำให้มีกำลังตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เดินหน้าไปแล้วมันจะมาเป็นตัวกากับจิตว่าโอ้จุดหมายของเรานั่นนะอะไรเงี้ยมันสร้างพลังที่เชื่อมจุดหมายไว้นี่อธิษฐานอันเนี้ยสาคัญตั้งจิตมันเด็ดเดียวมันแน่วแน่ ก็เลยเป็นอบารมีของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งนะอธิษฐานแต่อธิษฐานเพื่อทำนะไม่ใช่อธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ใช่ให้ใครมาช่วยแต่เราทำของเราอธิษฐานแล้วเราก็มีกำลังแล้วปัญญาก็จะมาบอกว่าเออคุณตั้งใจอย่างนี้จะทำให้สำเร็จจะต้องทำเหตุปัจจัยอะไรบ้างเราก็ทำของเราไปแล้วก็แก้ไขได้เรื่อยปัญญาก็จะมาช่วยแก้ไขสติก็จะมาคอยเตือนคอย ช่วยตรวจสอบคอยกำกับไว้ให้อยู่กับเรื่องที่เป็นจุดหมายไม่พลาดไม่หนีไปไหนนะไม่เคว้งควางเลื่อนลอยแค่นี้พอไหมเนี่ยหรือจะเอาไงนิโมนถามไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเกรงใจนะนึกอะไรแล้วอย่างสามีภรรยาที่พระเดชประกุณหลวงพ่อว่ามีสมชีวิตตาสีส่วน บิดามารดากระบุตรธิดานี่มีองค์ทำในทํานองอย่างนี้บ้างที่ชัดเจนบ้างไหมครับแล้วก็อย่างทั้งสามีภรรยาแล้วก็บิดามารดาบุตรธิดาเราพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เหมือนในทิศหกด้วยดีไหมครับอย่างนั้นอันนั้นมาหนุนอันนี้อีกทีคือข้อปฏิบัติที่นี้คือหลักการหลักการในที่นี้มันเป็นตัวคุณธรรมเลยส่วนในที่โดกนั้นเป็นข้อปฏิบัติใช่ไหม ไอ้สมะชีวิตธรรมสี่เนี่ยมันเป็นหลักคุณสมบัติในใจแหละสมะศัทธาสมะศีลาก็เป็นคุณสมบัติของเราที่ประพฤติดีมาเป็นคุณสมบัติในตัวสมะจากขาสมะปัญญานั้นเป็นคุณธรรมทีนี้ว่าเมื่อมีคุณธรรมอย่างนี้หรือจะให้มีคุณธรรมเหล่านี้หรือจะให้คุณธรรมเหล่านี้ยั่งยืนอยู่ได้จะต้องปฏิบัติหลายนี่แหละครับออกไปทิศถกทิศอะไรนะั่นนี่สามีปัญญาก็ต้อง จะให้สมสัตชาสมมศีลาสมัชจารกะสมัชปัญญามันอยู่มันมั่นคงก็ต้องไปปฏิบัตินั่นแหละข้อปฏิบัตนะิหน้าที่ต่อคู่ครองอย่างในทิศหกนะสามีจะปฏิบัติต่อปัญญาอย่างไรปัญญาปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นเดี๋ยวก็แตกไอสส้สมสัตชาสมัศีลาไปหมดใช่ไหมอันนั้นคือข้อปฏิบัติมนุนซึ่งหนึ่งก็เป็นไปตามนี้สองก็มนุนให้แน่นแฟนขึ้น นี่สำหรับบุธิดาก็ใช้หลักการเดียวกันแหลนะคือจิตใจมันจะต้องมีอันนี้อยู่ความหมายความว่าสมัสสธาสมัสสีลาสมัจารคาสมัสปัญญาเนะี่ยเป็นตัวที่มาช่วยจิตให้ในให้มาอยู่ตามหลักที่ว่าเมื่อกี้ไนะที่ว่าหนึ่งก็จิตก็อยู่ระดับเดียวกันแหละนะสมัสสตาศีลาจารคาปัญญาเนะี่ยทาให้จิตมาอยู่ระดับเดียวกันแล้วก็จิตก็กลมกลืนกันด้วย แล้วก็ท่านก็ไปเสริมเอาไอ้เรื่องความผูกพันนี่ใช่ทีนี้ลูกก็เหมือนกันมาจะมายึดไอ้หลักนี่ไว้ได้มันก็ต้องปฏิบัติให้ถูกตามหน้าที่ถ้าให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อมาพวกนี้ก็ไปหมดอั น, นัีนก็เป็นเรื่องที่ว่าก็ถือว่าใช้หลักการเดียวกันทีนี้ส่วนข้อปฏิบัตินั้นเราก็ไปดูว่าใครอยู่ในสถานะอะไร ก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสถาน น, นนั้นแล้วก็จะมีคุณธรรมเอ้ยจะมีข้อปฏิบัติที่ท่านสอนไว้ให้อีกแล้ว น, นเออเราก็ทำหน้าที่ต่านในถูกนะเป็นลูกก็ตั้งอยู่ในหลักนี้ในทักทิฏทิทลททะทิฏทิทิฏเบื้องหน้านี่แหละใช่ั้ยครูแรก พ่อแม่ตะลูกเนกะ็ อ, อันเนี้ยก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อกันให้ถูกมันก็จะมาช่วยส ม, ส, ส, มสัทธาสมศสีลาสมจาราัสมาสมปัญญามันหนุนกันมาอย่างน้อยจิตมันก็ไม่แตกแยกไม่ขัดแยง้งกลมกลืนกันได้แล้วก็แปลว่าในส่วนข้อปฏิบัติที่จะมาหนุนเราก็ไปค้นคว้านะฮะ มีอะไรที่จะต้องทำเพื่อจะให้ไปกันได้ดีก็ทำท่านมีอะไรจะถามมั้ยในบนเอาลองถามไว้ก่อนก็ได้ดูว่าจะต้องตอบยาวไหมก็นั้นก็ถามเป็นแนวเป็นให้สอดคล้องกับหัวข้อที่พระภยสารได้ถามไว้นะครับว่าสำหรับหลักธรรมสมาชีวิตาเนี่ยสามารถนำมาใช้กับ คนที่จะหาคู่ครองที่เหมาะสมกับตัวเองได้ด้วยหรือเปล่าครับก็ใช่เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นคู่ครองที่สมกันอยู่แล้วไงเขาเป็นกุณธรรมที่แปลว่ามีชีวิตสมกันสมชีวิธรรมนะไม่ใช่สมชีวิตตาแต่สมชีวิตตาก็อยู่ในหลักทิฏฐธรรมิกัตถะสังวตนี้ก็ทำสี่เลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอสม วันนี้สมชัชชวิตธรรมธรรมที่ทำให้มีชีวิตสมกันนะก็ใช่หลักนี้แหละทั่วทั่วไปมันได้ไปได้กว้างกวงทีนี้เราคิดในแง่นี้สิว่าขนาดคู่ครองที่ประสานใกล้ชิดสนิทสนมที่สุดก็ยงังใช้หลักนี้ใช่แล้วคนอื่นละ่ะก็ต้องแน่นอนแหละใช่ไหอขนาดคู่ที่ต้องสนิทที่สุดแหละ คนอื่นก็ถ้าทาตามนี้มันก็ไปได้สิใช่ขณะครูครองยังได้และคนอื่นจะไม่ได้ยังไงล่ะ <c oughs> แต่านจะมีอีกเช่นการเลือกพัญญาเช่นมีอะไรพัญญาสามีแบบว่าพัญญาเจ็ดเจ็ดพัชนิดเนะี่ยรูจ้จักเราก็ต้องดูด้วยว่าเออเราจะพอใจพัญญาแบบไหนนนบางคนเขาก็มีนิสัย ที่มันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราชอบยังไงพัญญาแบบเพื่อนเออเป็นที่ปรึกษาคุยกันสบายหรือเป็นพัญญาแบบแม่ค <c ười> อยดูแลเอาใจใส่ลูกเออหรือเป็นพัญญาแบบเจ้านาย <c ười> จะคอยสั่งเรืเอ่อยเออจะเอาไงก็เลือกทีท่านก็แนะไว้ให้อันนี้ก็ด้วยนะะด้วยอันนั้นเป็นคุณธรรมที่จะ ทำให้สมกันแต่ทีนี้ลักษณะเฉพาะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งปัญญาแบบไหนมีแง่มุมอะไรไหมล่ะนิมมณถามคือพอดีเห็นท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับว่าศรัทธาเกี่ยวกับทิฏฐิเงี้ยผมก็เลยคิดมาได้ว่าเออพระโสดบาบันนี่ก็ลักสักยะทิฏฐิไปได้คืออยากอยากจะเข้าใจคำว่าสักยะทิฏฐิเนี่ยคือ ท่านไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือเปล่าหมายถึงว่าเลยไม่ทะเลาะกับคนอื่นคือเห็นอย่างสวรรค์มีจริงไหมอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่ามันเป็นสมมุติก็ไม่ไม่เห็นไม่มีความเห็นหรื อ, อยังไงครับไม่ใช่สกายทิฐินี่นี่ความเห็นเรื่องตัวตนนะไปเรื่องอัตตาหมายความว่าหมดความยึดถืออัตตา่็ถือว่า ถ้าแยกขันห้าเห็นรูปเป็นอัตตาเรียนนาเป็นอัตตาสัญญาเป็นอัตตาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาคือไม่มองเห็นอะไรเป็นอัตตาแล้วไม่มีความยึดถืออัตตาในระดับที่จะทําให้ทําความชั่วได้รุนแรงก็เลยสลัดได้คือยังไม่ถึงกับ ว, ว่ามีปัญญาหมดอวิชชาหรอกอวิชชายังมีอยู่ยังไม่หมด แต่ว่าขั้นที่จะเกิดทิฏฐิที่ผิดอย่างนี้ไม่มีแล้วนะครับปัญญาพอเพียงที่จะละความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องการยึดถืออัตตาตัวตนนี่พอสละความยึดถืออัตตาตัวตนไปได้มันก็ทําให้การที่จะทําเรื่องโลภโทสะโมหะตัณหมานาทิฏฐิเบาวหมดนะเพราะคนเรานี่ ตัวสำคัญก็คือความยึดถือตัวตนอัตตาโลภเพื่ออะไรโลภก็เพราะตัวตนใช่ไหมโทสะไปทํำลายเขาก็เพราะตัวตนเรื่องตัวตนโมหะลุ่มหลงเขเรื่องตัวตนอยู่เลยนี่พอมีปัญญาพอแล้วกิเลสเบาบางความยึดถือตัวตนสลายไปได้ความที่ยังไม่รู้ อันนั้นก็ถือว่าเล็กน้อยแล้วเบาแล้วใช่ไมที่จะไปทำอะไรผิดพลาดก็เรียกว่าแทบไม่มีแหละก็เรียกว่าโสดาบันก็ดีกับคนดีทั่วไปอยู่แล้วเะฉะนั้นก็ไม่มีการทำความชั่วแล้วก็มีแต่ว่าท่านยังยังมีติดอยู่อ่ายังติดในบุญอย่างงี้พระอรหันต์ถ้าไม่ติดแล้วแม้แต่ในบุญในะพระโสดาบันก็ยังติดบุญได้นะ ย่งติดบุญติดกุศลแะไรต่างๆอยู่นะก็คือมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็ว่าความเห็นเกี่ยวเรื่องกายยัคึกขึ้อ๋อความยึดถือตัวตนนั่นเองทิฏฐิที่เป็นเหตุยึดถือตัวตนความเห็นผิดในเรื่องตัวตนอ่าส่วนเรื่องอื่นๆก็มันเป็นเรื่องไอถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกิเลสมันจะมาเนื่องกับตัวตนหมด แต่ถ้าเป็นความเห็นที่มันเกี่ยวกับข้อมูลความรู้เฉยๆอันนั้นไม่เกี่ยวแล้วขอแยกออกไหมกิเลสเกี่ยวกับเรื่องตัวตนก็คือหมายความว่ามันมาจากไอ้ความที่ถือตัวตนเป็นฐานแล้วก็ไปยึดถืออะไรต่างๆความเห็นผิดไปตามอิทธิพลของความยึดถือตัวตนแม้แต่เถียงกันเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับตัวตน แต่ความยึดถือตัวตนมันมีพอฉันว่าอย่างนี้แล้วคนอื่นว่าไม่ได้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็แสดงว่าส ก, กายยติทฐิมีไหมมีใช่ไหมเพราะในท่านต่างแยกในเถียงเรื่องทั่วไปแหละแต่ว่าไอส้ส ก, กายยติมันตามไปทีนี้ถ้าเราไม่มีส ก, กายยฐิความเห็นยึดถือตัวตนไม่มีเร า, า จ, จะมีทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าใจไป เท่าที่เรามีความรู้มันก็เป็นเรื่องความเห็นผิดเบยสุทธิ์ไปนี่พอเราก็ไปเถียงไปหาความรู้เราก็อาจจะแก้ทิฏฐินั้นไปได้ใช่ไหมอันนั้นก็อยู่ที่ปัญญาและ <c oughs> ไ, ไอ้ทิฏฐิพวกนั้นก็อยู่ที่ปัญญามาโดยตรงปัญญามาก็แกะไปเลยไม่ต้องมีตัวยึดอยู่ทีนี้ไอ้เจ้าทิฏฐิตัวตนนี่มันร้ายกว่านั้นก็คือว่าทาั้งๆที่รู้แล้วปัญญาบอกเรามันไม่ยอมใช่ไหม จริงไหมเออเนี่ยเพราะว่ามันยึดถือตัวตนนี่ถ้าเราทํำลายนี้ได้พระโสดาบันท่านก็ประเสริฐสิเพราะท่านไปอยู่ในโลกท่านไปทะเลาะ ก, กับไข่ท่านจะมีทิฏฐิของท่านในเรื่องอย่างนี้เพราะท่านรู้มาแค่นั้นท่านก็นยึดไว้ใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้ไปไปเหตุทะเลาะ ก, กับไขเนี่ยเพราะมันไม่มีการยึดถือของตัวตนเออพอเขาอธิบายมาเขามีความรู้ปัญญามาท่านก็นว่าไปตามข้อมูลความรู้ใช่ไหม ก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นพระโสดาบันท่านก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องนี้พอแยกได้นะฮะเอาละครับก็ここอยากจะรบกวนถามพระเดชพระคุณฝากคาถามไว้ว่าคือจากการที่ที่ผมได้เข้ามาบวชเนี่ยครับก็พอจะได้ทราบหลักธรรมหรือว่าแนวทางในการดําเนินชีวิตเมื่อศึกออกไปอะครับก็ที่พระเดชพระคุณสอนไว้ว่าคือให้พยายามเนี่ยให้ไหว้ ทวนกระแสแต่ว่าอย่าไปไหว้ต้านกระแสมันทีเนี้ยก็เท่าที่ผมเข้าใจคือว่าการไหว้ทวนกระแสเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวเออแน่นอนครับแล้วก็คืออย่างที่ผมบุกเข้ามาก็คือช่วงเวลาก็ไม่นานแค่เพียง3ามสเดือนเงี้ยครับคือรู้ตัวว่าสิ่งที่ทํานี้ดีแล้วแต่ว่าก็ยังอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่มากระทบในจิตใจทําให้การทําดีนั้นเนะี้แต่ว่าภายในจิตใจอาจจะ คุณมัวหรือว่าไม่ผ่องใสก็อยากจะเรียนถามว่าพอจะมีแนวคิดหรือหลักธรรมอะไรที่จะช่วยให้การไหว้ทวนกระแสะนั้นะเป็นการไหว้ด้วยจิตใจที่ผ่องใสไม่คุณมัวครับคือเราก็ยอมรับความจริงว่าเออเราก็ยังมีกิเลสอยู่มันก็ต้องมีคุนมัวบ้างเนะีได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจบ้างนะเป็นธรรมดาแล้วก็ฝึกตัวเราไปสิเอามาเนาะก็ถือเป็นเรื่องการฝึกตัวไป เจอกิเลสเจอทกุก็ถือเป็นฝึกตัวเหมือนกันเกิดกิเลสไม่พอใจขึ้นมาเออเราก็ได้ฝึกเราอีกฝึกที่จะแก้กิเลสนี่อะไรเงี้นะไปสนุกไปซะเนะีเออมันเข้ามาก็แก้มันไปนี่แหละก็คือเรื่องของปกติของมนุษย์ที่มีการฝึกฝนพัฒนามันก็ต้องเจอปัญหาต้องแก่ต้องไขไปนะ ก็บางทีไอ้เป็นทุกข์เป็นปัญหามากกลายเป็นทำให้เราได้ฝึกมากดีซะอีกว่าเงินนะเน่ก็จะไปต่อเหมือนมองในแง่ยโยนิโสมรติการนาะมาใช้เลมองเป็นฝึกแหละนะฮะอะไรอะไรเป็นฝึกเคยบอกว่าแล้วบอกยิ่งยากยิ่งได้มากนะใช่ไหอฝึกอันไหนมันยากมากฝึกอย่างน้อยเราก็เข้มแข็งมากกว่าจะสำเร็จนะปัญญาปัญญาก็มามากเราก็ใช้โยนิโสมรสิการให้เยอะ โยนิสงฆนักิการก็จะมาเป็นตัวพลิกสถานการณ์จากร้ายให้เป็นดีจากโทษก็กลายเป็นประโยชน์ได้นีสิ่งที่จะเกิดพิษเกิดภัยแล้วก็พลิกให้มันเป็นประโยชน์ซนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกทุกข์พวกอะไรเนี่ยก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เอามาใช้ในแง่พอใช้ฝึกตัวเองก็ได้ประโยชน์แล้วนะ นอกแา่นั้นเราอยู่ในสมรรถกาณอาจจะได้ประโยชน์จากมันอีกเยอะเลยนอกจากการฝึก <c oughs> ไ, ได้ปัญญาเนะี่ยเป็นเบื้องต้นเลยใช้ความรู้ความเข้าใจถ้าคนไม่เจอปัญหาปัญญาเกิดยากจริงไหมเน่ยปัญหามืนที่รับปัญญาน่ยก็เอาเป็นว่าไอ้ปัญหานี่เป็นที่รับมีด <c oughs> คือปัญญาของเราอันนั้นถ้ามันไม่มีที่รับมีดมีดของเราก็จะไม่คมเราก็จะให้ปัญญาของเราคม มองเป็นประโยชน์หมดพอได้นะฮะไม่ต้องเป็นท้อแต่ทีนี้ว่าทวนกระแสนเนี่ยคือเราไปมองแง่นหนึ่งก็คือเอากระแสตอนนี้ว่ามีเป็นกระแสใหญ่ไม่ดีสร้างปัญหาเอาแล้วเราก็ไม่ยอมรับกระแสนี้ก็กลายเป็นว่าเรา ไม่ตามกระแสแล้วเราจะทําไงก็กลายไปว่าเราก็ไปอีกทิศหนึ่งก็คือสวนกันมันก็กลายเป็นทวนกระแสไปใช่ไหมทีนี้เราทวนกระแสไปเนี่ยแทีนี้ถ้าคนเห็นชอบกับเรามากๆนความดีเพิ่มขึ้นนั่นแหละหมายความว่ากระแสแห่งความคิดความเข้าใจดีงามมันเพิ่มขึ้นต่อไปไอ้ที่เราทวนเนี่ยมันจะกลายเป็น กระแสหลักได้เหมือนกันเนี่ยพอเป็นกระแสหลักก็มันก็ไม่ต้องทวนแล้วใช่ไหมก็ <c oughs> ไปด้วยกันเลยนี่ทําไงจะพาให้คนอื่นนี่แหละเราก็ต้องเป็นกนนัญญาณมิตรให้แกเพื่อนมนุษย์เราพยายามที่จะให้สร้างกระแสใหม่ที่ถูกต้องแล้วก็ไปด้วยกันให้เป็นกระแสหลักไปซะเนีแต่ถ้ามันยังเป็นอย่างนี้เป็นกระแสหลักที่ไม่ดีแล้วก็ยินดีจะทวน แต่ว่าอย่าไปบวต้านก็เหมือนกับปลาเขาก็ไม่ได้ต้านกระแสะใช่ไหมปลาเขาก็ปลาเป็นเ็าก็ไหวทวนกระแสเหมือนกันเนียเขาก็ไหวะะนนะเขาก็ ไ, กไปเนีแล้วก็เมื่อทวนกระแสะไปมันก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ไปเกิดปัญหาต้านที่จะไปทะเลาะบอกแว่งขัดแย้งอะไรโดยไม่จำเป็ น, นถ้าไม่มีอะไรวันนี้ก็เอาเทานีสินะนะแล้วค่อยมาคุยกันต่อ ก็มาคุยกันต่อก็อย่างที่ว่าสบายๆมีคำถามอะไรค้างหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ปิดท้ายของท่านภาษาจตนิดนึ่งท่านถามแล้วก็พูดกันมาสองวันปิดท้ายก็คือว่าเรื่องที่ท่าน พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปรารถนาความปรารถนามันก็ต้องให้แรงด้วยอธิษฐานนั่นแหละอธิษฐานมันจะเป็นตัวสร้างแรงส่งมุ่งสู่จุดหมายเพราะว่าอธิษฐานก็คือตัวที่มองไปที่จุดหมายก็ตั้งให้แน่าลงไปเด็ดเดียวแต่ว่าอธิษฐานในที่นี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะขอให้ใครบันดาลให้ แต่เป็นการตั้งจุดหมายของเราเองก็อย่างที่ว่าเป็นแร่งส่งสู่จุดหมายเวลาเราอธิษฐานใช่ไหมว่าเออเนี่ยเรามีความรักปรารถนาดีต่อกันอยู่ด้วยกันมีความสุขเกิดไปก็อยากจะพบกันอีกก็ตั้งจิตอธิษฐานคือพอตั้งจิตอธิษฐานจิตมันมุ่งสู่เป้าหมายแล้วมันก็เหมือนกับมาเป็นตัว กำกับจิตไปเลยเวลาจะทําอะไรแต่ อ, อะไรต่อไปเหมือนก็แม้จะไม่ได้ตั้งใจนะมันก็เหมือนก็ทําเพื่อจุดหมายนั่นไปเลย <c oughs> แล้วมันก็กันอันอื่นออกไปด้วยนั่นการอาธิษฐานจิตนี่ก็สําคัญทั้งประจุดกาหนดที่จะใจมันจะมานึกถึงอยู่เรื่อยแล้วทั้งเป็นตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้สร้างแรงส่งที่มุ่งสู่จุดหมาย อ่า <c oughs> อันนี้ก็เรื่องของอธิษฐานที่มากากับความปรารถนาตัวสร้างพลังนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเมื่อเป็นเรื่องความปรารถนาเราก็ต้องรู้เท่าทันความจริงด้วยปัญญาว่ามันก็สำเร็จได้บางไม่สำเร็จได้บางอย่างที่ว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยเราก็ต้องมีความพร้อมที่จะมาให้มัน กลายเป็นเหตุปัจจัยของความทุกข์หรือปัญหาทีนี้วิธีหนึ่งที่ดีก็คือว่าให้ความปรารถนาเนี้ยมาเป็นตัวปัใจจัยในการทําสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลเพาะความว่าเรามีความปรารถนานี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามตอ ก, กันก็ชวนกันทําบุญทํากุศลทําสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเอาเป็นตัวฐาน หรือเป็นตัวปัจจัยเป็นตัวปลารบเป็นครอบปลารบที่จะทำความดีต่างๆเมื่อตัวความปรารถนานี้กลายเป็นตัวปัจจัยให้ทำความดีกันสร้างสารรค์อะไรต่างๆปไปเยอะแยะแม้หากว่าจะเกิดความผิดหวังอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ทำดีงามพัฒนาขึ้นไปก็ชดเชยให้เสร็จ เรียกว่าได้คุ้มก็ได้สองอย่างนั่นหนึ่งก็คืออธิษฐานสองก็ให้เป็นปจัจจัยในการทําสิ่งที่ดีงามแล้วก็เหมือนกับว่ามีสองแรงมาร่วมกันและชวนกันทําความดีงามมันก็เรืนหน้าไปได้ ด, ดีแล้วก็ยิ่งช่วยให้มีความหวังมากขึ้นในการที่จะสําเร็จตามปรารถนาเ <c oughs> พราะความปรารถนานี้ แสดงได้การกระทําสิ่งที่ดีงามที่มันจะมาเป็นตัวสร้างจิตใจที่มันกลมกลืนประสานเป็นอันเดียวกันเพราะเมื่อทำด้วยกันทําอะไรก็ทํำด้วยกันจิตมันเป็นอันเดียวกันไปแล้วคนที่จะทําอะไรด้วยกันเนี่ยการที่เขาชอบมาใช้สมัยนี้มีสมานะฉันหรือสมานะฉันอ่านได้ทั้งสองย่างสมานะฉันทะก็แปลว่ามีฉันทะเสมอกันร่วมกัน มีความปรารถนามีความยินดีพอใจร่วมกัน <c oughs> คนมีสมานฉันทะแล้วก็จึงทําอะไรร่วมกันได้ดีคนจะมาทําบุญมาประเพ็ประโยชน์อะไรก็ต้องมีสมานฉันทะมีความปรารถนามีความยินดีพอใจร่วมกันนี้พอสร้างอย่างนี้ไอ้ตัวนี้แหละทําให้จิตมีสภาพกลมกลืนกันไปเลยไกลายไปว่าได้ทั้งสองด้าน สภาพจิตให้เหมือนการเข้ากันได้ด้วยรอบกันนั้นก็กลายเป็นทำความดีงามไปด้วยให้พัฒนาชีวิตเขาตัวเองดีอย่างเดียวเอาละโมตนาไม่มีอะไรถามก็ต่อท่านลิน